แล้วก็ท่านพระอาจารย์แล้วก็กูบาล น, นะคะก็นัสกสการท่านอาจารย์โอโสนะคะแล้วก็คณะอาจารย์ท่านยาติธรรมทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มากเลยเที่ยวนี้นี่ได้ทั้งเรียกว่าอะไรนะกายและรูปของของครูที่เป็นกายานามิจริงๆนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าพระอาจารย์ดูแลลูกศิษย์ใกล้ชิด เหมือนกับที่ท่านพราอาจารย์พูดเมื่อตอนรอบเช้านะคะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจำนวนนักเรียนเนี่ยสำคัญนะคะตัวตัวตัวนี้เองได้ประสบการณ์เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มต้นจากวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ไม่ศรัทธาพุทธศาสนาเลยยิ่งยิ่งได้อยู่โรงเรียนที่เป็นคริสต์นะคะแล้วก็เราไปเห็นโรงเรียนคริสต์เนี่ยวันอาทิตย์เราต้องไปโบท โบสถ์สะอาดมีพิธีกรรมที่น่ารักร้องเพลงแล้วก็มีซาบาส ท, ที่เรียกว่ามีขนมมีเล่าวายมาแต่เด็กๆก็ให้ดื่มน้ำนั่นนะคะก็ลึกก็มีการเล่าพุทธประประวัติของพระเยซูนิทานเกี่ยวกับาศาสนาที่น่าสนใจมากๆเลยกลับมาที่บ้านคุณแม่ก็ไหว้เจ้าแต่คุณแม่ก็ไปไหว้พระด้วยนะะก็เกือจะเข้าคริสแล้วนะคุณแม่ก็บอกเข้าคริสไปทาไมนะคะ บ, บอกว่า ก็ไปวัดเนี่ยสปกปรกแล้วก็พระเนี่ยสมัยที่เด็กๆนี่พระยังมีจาริตที่ดีนะคะยังไม่มีการเวียนเทียนนะคะแต่พอมาสมัยอป็นยศตรียิ่งไม่ศรัทธาพุทธศาสนาใหญ่เพราะว่าเห็นพระเนี่ยเดินเข้าเดินจัดประจำที่ใส่บาทนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปไปจับภาพของพุทธศาสนาคือพระสม นะคะต้องเรียกว่าบาปหนาะไม่ได้อ่านพุทธศาสนาไม่ได้อ่านพุทธธรรมเลยนะจ๊ะคะจนกระทั่งเอ่อต้องต้องยกความดีให้ท่านพระพยอมนะท่านแต่งหนังสือธรรมะเนี่ยเขียนออกมาเนี่ยสนุกแล้วก็ทําให้ชนอ่านก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มก้าวเข้ามาดูก็เริ่มอ่านบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยเข้าใจว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจพุทธศาสนาอย่างบาปหนาะมากๆเลย คือไม่ได้เข้าใจถึงพระพุทธเจ้าและพร ะ, พระธรรมคําสอนของท่านไปยึดเอาพระสงฆ์ที่พระอาจารย์บอกว่าล้มกำลังจะล้มละลายคือพิษุกีนี้ล้มละลายไปแล้วนะฮะแต่พระพิษุนี่หุ้นตกกั้นะฮะเห็<笑><笑>นด้วยกับพระอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะว่าแล้วก็ท่านก็ยังให้ความไว้วางใจกับอุบาสกอุบาสิกานะฮะตรงนี้ท่านพระอาจารย์ได้ให้ความภาคภูมิใจกับอุบาสกอุบาสิกาว่าเราจะต้องเป็นกําลังสําคัญนะฮะที่หนุนเนื่องกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เริ่มอ่านหนังสือธรรมะเริ่มต้นจากอ่านของพระพยอมแล้วก็มาอ่านของท่านพุทธทาสพอกระโดดข้ามมาอ่านของท่านพุทธทาสเนี่ยต้องอ่านสองรอบนะคะคือคือโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าวัยเด็กเนี่ยไม่ถูกสกัดกั้นในเรื่องของการอ่านหนังสือการ์ตูนจากคุณแม่นะคะซึ่งเป็นครูคนแรกของชีวิตที่โชคดีคะเพราะว่าเราสนอยากจะทำอะไรคุณแม่ก็จะให้ทาโดยให้ทาอยู่ในสายตา ไม่ถือว่าเป็นการเกะกะเช่นคุณแม่ทําครัวอยู่ก็จะเข้าไปยุ่งปุ้นเปี้ยนอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นความอยากรู้อยากเรียนของเราไม่ถูกสกัดกัน้นนะคะแม้กระทั่งพอทํางานบ้านที่ได้รับมอบหมายเสร็จเนี่ยก็เอาเวลาบ้างไปอ่านหนังสือสารพัดนะฮะคุณแม่ก็ไม่ห้ามนะคะเหมือนแม้กระทั่งค่าขนมที่เหลือบางทีก็ยังไปสะสมซื้อหนังสือใสอิว๋วนะคะเพราะใสอิ๋วเนี่ยพอมาอ่านเนี่ย ก็ริมเริ่ ม, เ, มเอ๊ะทำไมลิงเนี่ยเจ้าสาิ๋วเป็นยังไงเจ้าตือปุ๋ยไก่เนี่ทําไมขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอตอนหลังมีคนมาวิเคราะห์ว่าสาิ๋วนี่คือเรื่องของพุทธศาสนาที่พูดถึงโลภะโทสะโมหะตรงนั้นนะคะแล้วก็โลคด้วยราคาด้วยตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นประสบการณ์พุทธศาสนาเนี่ยไปงอกงามตอนที่ต้องไกลบ้านไปเรียนหนังสือ พอพอไปรเรียนหนังสือแล้วก็จินตนาการนื้ที่พระอาจารย์บอกว่าความคิดเนี่ยอย่าไปอยู่กับเขาเยอะเนี่ยบางทีก็ดีเหมือนกันนะเก้ากาคือคิดวางแผนว่าเอ้ถ้าเราไปอยู่ที่นั่นนานๆเนี่ยเราเราไม่มีโอกาสอ่านภาษาไทยนะเนี่ยเพราะว่าต้องไปเรียนภาษาต่างประเทศเขาคงจะเบื่อนะไปจินตนาการว่าถ้าอ่านภาษาอังกฤ ษ, าษาที่เรารู้สึกว่ามันหนักหนานเนี่ยนะคะเราต้องเขียนอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเราต้องไปอยู่สี่ปีห้าปีเนี่ยก็เลยขนหนังสือธรรมะไป จนวันที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยน้ำหนัก98กิโลกระเป๋าสองใบนะคะเหมือนลูกระเบิดเลยก็ <c oughs> ยังยังคิดว่าจะต้องโดนกักตรงสนามบินนะะ่ะนะคะแต่ธรรมะช่วยชีวิตเจ้าเาดเพราะว่าพอเราเครียดอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยคลายเครียดแล้วก็ปล่อยวางขณะนั้นยังไม่ได้ปฏิบัตินะฮะไม่ไม่ทราบว่าวิปัสสนาทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานคืออะไรไ ม, ไม่รู้จักเลยแต่อ่า น, น, นรู้จักพุทธศาสนาจาก การอ่านหนังสือธรรมะนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยไปพบหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นของท่านธรรมปิฎกอันนี้คือประสบการณ์ที่พุทธศาสนาว่าได้แต่เนื้อทฤษฎีนะคะก็บอกตัวเองว่าเอออนุ ต, ตานี่ไม่มีตัวตนเนี่ยต้องฝึกนะะก็พยายามฝึกตัวเองให้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ให้ไม่มีตัวตนก็เป็นอนุ ต, ตาคือแต่ลึกๆแล้วเราก็ยังมีอัตตาอยู่นะคะ แล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องขอบคุณท่านอาจารย์ประภาพาที่ให้ความวางใจชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของอาศมศิล์นนะคะหลังจากที่กเกษียณแล้วเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่ประทับใจมากๆก็คืออาศมศินเนี่ยเป็นวัดและที่ทํางานอยู่ด้วยกันนะคะเราก็รู้สึกรู้สึกเบาใจเพราะว่าที่อาศมศินเนี่ยจะมีการสวดมนต์ทำวัดทุกปันสุกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิถีชีวิตที่ที่มองว่าแปลกแต่ดี นะฮะชอบนะฮะแล้วก็จากที่อาจารย์ประพาภาสพูดถึงเรื่องของท่านหลวงตาสุริยาก็เลยทําให้เกิดความอยากเรียนนะฮะอยากเรียนอยากรู้นะฮะเลยได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามหาปัญโยเป็นหลานศิษย์ของพระอาจารย์ครั้งแรกจะ<ช>ว่าเลกครั้งแรกก็ไม่ใช่นะฮะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็ไปปฏิบัติกับพระที่ชื่อดังเมื่อเร็วๆนี้คือวัดชุนนันทาวนาราม <laughs> <laughs> นะคะ นะฮะั้งแรกของชีวิตเลยคือไปปฏิบัติธรรมที่วัดสุนันทวนาลามนะเจ้าค่ะก็มันนั้นพอได้ข่าวก็เสียดายเสียดายว่าพระ พ, พุทธศาสนาเสียคนเสียกำลังที่เข้มแข็งไปอีกหนึ่งรูปนะฮะแต่ก็กับมาที่อสมศินยังชอบใจท่านอาจารย์ปุ้มที่บอกว่าท่านก็ชัดเจนดีนะยิงดีกว่าคนที่คลองผ้าเนี่ยแล้วก็ประพฤติสับสนนะนะฮะแล้วก็ทาให้ยิ่งเสื่อมเข้าไปอีก นะฮะคือคือไหนไหนตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็ออกไปเลยนะฮะก็ดีกว่าที่แปดเปื้อนนะฮะวกนะฮะค่ะเข้ามาว่าภายในเจ็ดวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเจ็ดวันเกิดอะไร <มา S 1> ขึ้ น, น, นะคะอันนี้ต้องเท้าความนิดนึงเพราะว่าจะกลาวเป็นนิมิตการท่านอาจารย์ว่าเรื่องของทางโลกเนี่ยท่านอาจารย์ถามแล้วทําให้ชงยักษ์คิดว่าทางโลกเนี่ยพอใจเราหรือยังบอกทางโลกเราที่สุดแล้วพอแล้วนะคะรพระอาจารย์ก็ชวนว่า อย่างนั้นมาทางธรรมดูนะคะจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่แต่ตัวเองไม่มั่นใจเพราะว่าตัวเองมองว่าทางโลกเนี่ยเป็นจะเอกแต่ทางธรรมเนี่ยอนุบาล น, นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็คิดว่าจะต้องเพียร น, นะคะนี้เจ็ดวันนี้ได้อะไรเนื่องจากเป็นลูกศิษย์ที่วัดมาัวัดป่ามาหาปัญโยเนี่ยก็มีพื้นมานิดหน่อยแต่ว่าที่ตรงนั้นเนี่ย เรามีญาติธรทมตั้งร้อยกว่าคนนะฮะนะฮะก็เลยแบบงงๆนะฮะคือออกจากเจ็ดวันจากวัดตามหาปัญโยนเนี่ยได้ยกมือได้เคลื่อนไหวจังหวะสร้างจังหวะได้แต่ต้องค่อยๆมาพิจารณาเองแต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจจากวัดตามหาปัญโยคือความประทับใจว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งเนี่ยคือครูบาจ้อเนี่ยนะฮะพระอาจารย์จ้อเนี่ยพอญาติธรรมออกท่านย่ต้องอยู่วัดองเดียวแล้วท่านอาจา ร, รย์ หลวงตาสุริยามหาปัญโยนเนี่ยท่านก็สละอุทิศตัวเองเนี่ยทางานให้ยาติธรรมเปปฏิบัติธรรมมากมายตรงนี้เนี่ยนะคะในช่วงที่อยู่ที่วัดตามหาปัญโยขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่ก็เกิดความปรติคือปรติที่เกิดจากความประทับใจนะคะว่ามีมีผู้ที่เสียสละเพื่อสังคมกลับมาก็กระจ่างขึ้นกค่อยกระจ่างขึ้นน่ะนะคะแต่ยังไม่ไม่ชัดเท่าครั้งนี้ ครั้งนี้เนี่ยได้ดูสติตัวเองแล้วก็ได้ได้อยู่กับตัวเองได้นิ่งๆ น, นะคะวันที่สี่ที่ท่านพระอาจารย์ให้ปฏิบัติโดยใช้ทั้งทั้งสี่ด้านสติปัฏฐานสี่มาจับตัวเองเนี่ยนะคะมาจับดูที่ตัวเองเนี่ยวันแรก ท, ท่านอาจารย์ให้ดูที่กายวันที่สองให้ดูเวทนาด้วยแก็ยังได้ถามคําถามท่านพระอาจารย์ว่าทําไมวันที่หนึ่งกับวันที่สองรู้สึกว่าตัวเองไม่ต่างกัน คือดูกายเสร็จเลยทนนะก็เข้ามาด้วยอย่างงี้นะคะก็แต่ก็เห็นเรทนานะคะนั้นวันที่สี่เนี่ยอย่ากรองนะ ค, ะคือพระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดความง่วงเนี่ยให้ให้กำจัดความง่วงไปก็เลยความที่เป็นนักกีฬาเก่าก็เอาท่าทางทางัทง้ทงๆที่เคยเล่นกีฬาเนี่ยมาผสมผสานเพื่อไม่ให้ความง่วงเข้าครอบคลองเรียกว่าพยายามที่จะกันเข้าออกจนกระทั่งย่าติธรรมที่เดินไปมาเนี่ย เราก็ยังกันไม่มองเขาคือคือการไม่ไม่ดูเลยอย่างเงี้ยเลยได้เกิดภาพเดินเนี่ยของของจริตธรรมเนี่ยไปอยู่บนต้นกล้วย <c oughs> เห็นเห็นเห็นไม่คนเดินเดินลงมาจากต้นกล้วยในชีวิตไม่เคยเห็นภาพพวกนี้นะฮะก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าต้นกล้วยเขากลัวจะโดนตัด ก, ก็เลยหนีซะก่อนเ <c oughs> ลยกำลังแสกๆเลยนั้นเนี่ยแล้วคิดอีกทีหนึ่งอ๋อไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเราหลบภาพของการเดิน ภาพของการเดินก็เลยติดตามมาให้เราอยู่ที่ต้นกล้วยเพราะเรามองที่ต้นกล้วยในการในการสร้างจังหวะ น, นะเจ้าคะวันนั้นในง่วงแต่ว่าพระอาจารย์ก็สอบอารมณ์บอกว่าอยู่กับภายนอกมากไปก็เลยมาตั้งโจทย์วันที่ท่านอาจารย์ให้เก็บอารมณ์ก็ลดตัวแปลละ่ะตัวแปรต้นนี้ไม่เอาละตัวแปรต้นหลายๆตัวไม่เอาเอาอย่างที่พระอาจารย์สอนก็คือ คงจะต้องมีอุบายแน่เลยที่จะต้องนิ่งอยู่กับสองตัวนี้ก็คือไม่เดินก็นั่งนะฮะสองอันเนี่ยเลยได้เห็นชัดว่าเราจะต้องอยู่กับสองท่านี้เพื่อให้เกิดความง่วงเราจะได้ดูความง่วงเป็นน ะ, ะพอดูความง่วงเป็นเราจับความง่วงเสร็จเราก็ปรับอิเดยบทตรเล็กน้อยเพื่อให้ความง่วงหายไปนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือบันที่เก็บอารมณ์วันที่หนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เมตตามาถามว่า พระอนุนที่พระพุทธเจ้าตรัดถามพระอนนุ์ว่ารู้ธรรมะแค่ไหนพระอนุนก็บอกว่ารู้ธรรมะทั้งหมดแล้วพระอนุนไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าตัวเองเห็นพระธรรมหมดแล้วนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัดตอบว่าอานุนเธอกํำลังหานกับตายเนี่ยมาวัดน้ําความลึกของน้ําในมหาสมุทรนะคะพระอาจารย์ก็ถามว่าอันนี้หมายความว่าอะไรก็ตอบตรงๆตาม ตามภาษาทังโลกบอกว่าพลาด น, นใช้เครื่องมือไม่ถูกคือใช้เครื่องมือหวังกระต่ายสั้นเกินไปมาวัดน้ําทะเลนะฮะพระอาจารย์ก็เลย เ, เลยเลยเอบอกว่าใ ห, ให้ลองไปคิดดูแลเดี๋ยวมาตอบใหม่ฉันก็เดินมาพระอาจารย์เดินมาโดยดิ้นก็เลยวิ่งตามมาบอกว่าพระอาจารย์ก็ใช่ใช่ไหมที่พระเจ้าจะเปรียบเปยว่าธรรมะที่แท้จริงเนี่ยเป็นเป็นใบไม้ในป่าแต่ธรรมะที่ เอามาเผยแพรเนี่ยคือกรรมมือเพราะฉะนั้นถ้าธรรมะที่พระนนท์เรียนรู้นั้นก็คือใบไม้แค่ใบไม้ในกรรมมือท่านอาจารย์ก็เลยบอกไม่ใช่อ่ะคื อ, อาหางกระต่ายที่ไปวัดน้ําทะเลเนี่ยก็คือส่วนที่พระนนรู้จักเนี่ยก็คือเพียงแค่หางกระตวามลึกเข้าหางกระต่ายแต่ส่วนที่จริงๆของธรรมะนั้นน่ยมีมีมากมายเท่ากับน้ําในมหาสมุทรอันนี้ก็ ก็เลยเลยเรียนกับนักสการท่านผู้อาจารย์ต่อว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันจะตรงกับการที่เรียกว่าถ้าเราเราดื่มน้ําให้คิดถึงคนที่ผุดบ่อน้ําเนี่ยนะคะผู้อาจารย์ก็เลยโยงปากว่าสะน้ําเนี่ยลึกแค่ไหนนะคะก็เลยบอกว่าถ้าโดยประมาณโดยสายตาเนี่ยคิดว่าลึกเท่าไหร่งนี้ผู้อาจารย์บอกว่าอย่างนั้นต้องลองไปวัดดูต้องพิสูจน์ก็ได้สั่งคำหนึ่งว่าพิสูจน์เนี่ยเราก็ได้พิสูจน์สองวันนั้นล่ะ นะก็คือพิสูจน์ว่าถ้าเราพยายามจะเลี่ยงไม่เผชิญกับความจริงเราจะไม่พบความจริงแต่พอเราอยู่กับความจริงเผชิญแล้วเนี่ยเราก็จะเจอปัญญาที่จะไปแก้ไขนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่เมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์วิชิตได้เล่าประสบการณ์ตัวเองและพระอาจารย์บอกว่าให้ไปขยายผลได้ทันทีนะเจ้าค่ะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะต่อไปถ้าเราไปเจอคณะครูเยอ ะ, ยอะๆหลายๆคนเนี่ย เวลาไปเป็นวิทยากรเนี่ยจะชวนครูสร้างจังหวะก่อนแต่ว่าคิดอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจะมาขออนุ ญ, ญาตท่าอาจารย์ก่อนว่าใช้ได้ไหมเนจา้าคะเพราะว่าเวลาประชุมครูเวลามีการอบรมครูอย่างนี้นะฮะก็จะจะชวนครูเนี่ยคือคื อ, คอที่เคยปฏิบัติมาก็คือชวนครูนิ่งอะฮะที่เคยทําอยู่มาแล้วนะฮะก็เคยชวนครูนิ่งแล้วก็อยู่กับลมหายใจสักครู่หนึ่งนะคะคนบางคนก็ได้บ้างบางคนก็ไม่ได้บ้างนะฮะแต่ว่า ทั้งต่อไปเนี่ยถ้ามีโอกาสพบครูจงนวนเยอะๆเนี่ยก็จะนำเอาประสบการณ์ที่เรียนรู้ในเจวันนี้เจ้าค่ะไปชวนครูทำโดยการเริ่มต้นคือคือคงไม่กล้าที่จะถึงขั้นอธิบายโดยรายละเอียดตามทฤษฎีที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาออสอนพวกเรานะเจ้าค่ะแต่จะเริ่มต้นด้วยการสร้างจังหวะก่อนแล้วก็ให้ชวนคุณครูเนี่ยมองมองให้มองกายตัวเองแล้วก็ มองเท่าฐานความคิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือประสบการณ์ในเจ็วันนี้ที่ได้ผ่านมาอาจ า, ารย์ผมตัวนิดๆ น, นะว่า <c oughs> ในการพิสูจน์เนี่ยนะถ้าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะพิสูจน์ให้ถูกสภาวะนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องต้องเริ่มต้นณปัจจุบันไว้ก่อ น, นะอะไรเกิดขึ้นก็ตามตั้งต้นปัจจุบันไว้ก่อนพอตั้งต้นปัจจุบันปั๊บเนี่ยมันจะ สติมันเกิดใช่ไหมพอสติมันเกิดกบสมาธิปัญญามันจะมาเพรา ะ, ะนั้นคำว่าพิสูจน์ของอัต ม, มามไม่ได้หมายความว่าพิสูจน์ข้างนอกอะไรนะพิสูจน์ให้เห็นสภาวะก่อนทุกครั้งที่จะทําอะไรว่าขณะปัจจุบันนี้เรานั่งยังไงหายใจลึกไหมเราปวดตรงไหนเราเจ็บตรงไหนแล้วใจละ่ะสบายหรือไม่สบายมีอะไรครอบงําอยู่ไหมเนี่ยทุกครั้ ง, ง, ง, งต้องตรวจเช็คตรงนี้นะนี่คือคําว่าพิสูจน์ ในในแง่ของตัวการปฏิบัติแล้วอีกประเด็นหนึ่งถ้าจะมีโอกาสได้ไปวิทยากร อ, อกลุงครูเนี่ยจะพาเขาสร้างจังหวะ น, นี่ต้องใช้ภาษาของเราให้ถูกออตั้งมุติเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีการไหว้ครูไหวพระใช่ไหมออตั้งมุติเราจะไหวพระแบบเป็นญาติขปิแต่วันนี้ขอไหวพร ะ, ะเวญญาติขปิเพว่าห้า องคห้านะแต่วันนี้จะขอไหวองค์สิบห้าอย่างงี้นะต้องต้องหาคําพูดที่มันเข้ากับตรงนี้ก่อนนะไหวองค์สิบห้านี่เป็นไงว่าองค์ที่หนึ่งโยมไหวไปเลยอย่างไหวพระสิบห้าองค์อย่างน่าดูเนี้ยสาคัญอ้าวลองลองทดูนะอาุกคนทําดู